พุทิยภานวาระผู้ภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีพอได้ทราบข่าวว่าท่านพระยศ ก, กากรท ก, กะบุตรประสงค์จะรับหน้าที่วินิจฉัยอธิกรณ์นี้กําลังหาพักพวกและได้พักพวกแล้วครั้งนั้นแหละผู้ภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้ปรึกษากันดังนี้ว่าอธิกรณ์เรื่องนี้อยาาคายรุนแรง ทำอย่างไรพวกเราจึงจะได้พักพวกที่ทำให้เข้มแข็งมากกว่านี้เล่าลำดับนั้นผู้พิสุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้ปรึกษากันต่อไปดังนี้ว่าท่านพระเรวตะรูปนี้เป็นพหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่าการศึกษา ถ้าพวกเราได้ท่านพระเรวตะมาร่วมเป็นพักพวกก็จะเข้มแข็งยิ่งกว่านี้ต่อมาพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีจะเตรียมสมณบริขารอย่างเพียงพอคือบาดบ้างจีวรบ้างผ้าปูนั่งบ้างกลองเข็มบ้างประคดเอวบ้างผ้ากรองน้ําบ้างกระบอกกรองน้ําบ้างลําดับนั้นพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลี ขนสมณบริษขานนั้นโดยสารเรือไปสหชาตินครขึ้นจากเรือหยุดพักผ่อนชั้นอาหารร่วมกันที่โคนไม้แห่งหนึ่งเรื่องพระสาระาเวลานั้นท่านพระสาระหลีกเล่นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำานึงขึ้นในจิตยอย่างนี้ว่าภิกษุพวกไหนที่เป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุชาวปราจีนหรือชาวเมืองปาเถยยะครั้งนั้น ขณะที่กำลังพิจารณาพระธรรมวินัยท่านพระสาระหะได้ปรึกษากันต่อไปอีกว่าภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายอธรรมวารีภิกษุชาวเมืองปาเถิ ย, ยะเป็นฝ่ายธรรมวารีขณะนั้นเทวราชันสุทธาวาตนหนึ่งทราบความคิดคำนึงในจิตของท่านด้วยจิตของตนจึงหายไปจากเทวโลกชั้นสุทธาวาสแล้วมาปรากฏต่อหน้าท่านพระสาระหะ เหมือนคนมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดได้กล่าวกับท่านพระสาร ห, หะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญดีแล้วดีแล้วภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายอธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยยะเป็นฝ่ายธรรมวาทีท่านโปรวดวางตนตามความถูกต้องเถิดท่านพระสาร ห, หะกล่าวว่าเทวดาทั้งในกาลก่อนและเวลานี้ อาตมาก็วางตนตามความถูกต้องแต่อาตมาจะยังไม่เปิดเผยความเห็นถ้าไครสงน่าจะแต่งตั้งอาตมาให้เข้าร่วมวินิจฉัยในอธิกรณ์นี้บ้างเรื่องพระอุตระต่อมาผู้ภิกษุวชีบุตรชาวกรุงเวสาลีถือสมณบริคาร น, นั้นเข้าไปหาท่านพระเรวตะถึงที่พักครั้นแล้วเร้ยกกล่าวท่านพระเรวตะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญ ขอพระเถระโปรดรับสมณบริขารคือบาทบ้างจีวรบ้างผ้าปูนั่งบ้างกล่องเข็มบ้างประคดเอวบ้างผ้ากรองน้ำบ้างกระบอกกรองน้ำบ้างท่านพระเรวตตกล่าวว่าไม่ละคุณเรามีไตรจีวรครบบริบูรณ์แล้วไม่ปรารถนาจะรับสมัยนั้นพระอุตระมีพรรษา20สเป็นอุปถาของท่านพระเรวตะคร้งนั้น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 ไม่ปรารถนาจะรับพวกพิษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีกล่าวว่าท่านอุตระคนทั้งหลายน้อมถวายสมณบริขคารแด่พระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคทรงรับพวกเขาก็ดีใจถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงรับพวกเขาก็จะน้อมถวายท่านพระอานน์โดยกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระโปรดรับสมณบริคารสิ่งที่พระเถระรับ ก็เหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคทรงรับขอท่านพระอุตระโปรดรับสมณบุรุขารเถิดสิ่งที่ท่านพระอุตระรับก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเถระรับเหมือนกันครั้งนั้นท่านพระอุตระถูกพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีบีบคัน้นจึงรับจีวรผืนหนึ่งแล้วกล่าวว่าพวกท่านพึงแจ้งความประสงค์พวกพิกษุวัีบุตรชาวกรุงเวสาลีกล่าวว่า ขอท่านพระอุตระจงบอกพระเถระว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระพูดเพียงเท่านี้ในถ้ำกลางสงฆ์ว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติในปุรัถิมชุนบทภิกษุทั้งหลายชาวปราจีนเป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุทั้งหลายชาวเมืองปาเถยยะเป็นฝ่ายอธรรมวาทีพระอุตระรับคำของผู้ภิกษุวัดชีบุทชาวกรุงเวสาลี แล้วก็ไปหาท่านพระเรวตะถึงที่พักครั้นแล้วด้วยกราบเรียนดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระโปรดพูดเพียงเท่านี้ในถ้ำกลางสงว่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในปุรัตถิมะเชนบทภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาถยยะเป็นฝ่ายอธรรมวาทีท่านพระเรวตะถามว่าภิกษุ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 แล้วประนามเราพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีถามว่าท่านอุตระท่านเป็นผู้ใหญ่มีพรนษายี่สิบแล้วมิใช่หรือท่านพระอุตระตอบว่าใช่แล้วท่านทั้งหลายแต่กระผมเถอนิสัยอยู่ในท่านพระเรวตะผู้เป็นครูเรื่องสงมุ่งจะวินิจฉัยอธิกรครั้งนั้นสงประสงจะวินิจฉัยอธิกรนั้นจึงได้ประชุมกัน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 พากันเดินทางไปกรุงเวสาลีเพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นครั้งนั้นท่านพระสพากามีเป็นพระสังฆเถระทั่วสังฆมณฑลมีพรรษาหนึ่งรยี่สนับแต่อุปสมบทมาเป็นสัตธิทวิหาริก ข, ของท่านพระอานนท์พักอยู่ในกรุงเวสาลีครั้งนั้นท่านพระเรวตะบอกท่านพระสัมภูตะสารวาสีดังนี้ว่าท่าน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 อยู่ด้วยวิหารธรรมของพระมหาบุรุษนั่นก็คือสุญตสมาบัตท่านพระสัพพกามียกล่าวว่าท่านเรวตะเมื่อก่อนคราวเป็นครหัดผมได้ประพฤติสั่งสมสุญตสมาบัตฉะนั้นเวลานี้ผมก็ยังอยู่ด้วยสุญตวิหารธรรมเป็นส่วนมากแต่ผมบรรลุอรหัตผลนานแล้ว พระสัมพูตะสานวาสีทมวัตถุสิบประการภิกษุผู้เทระทั้งสองสนทนาค้างอยู่เพียงเท่านี้ลำดับนั้นพระสัมพูตะสานวาสีมาถึงจึงเข้าไปหาท่านพระสัพพกามีถึงที่พักครั้นแล้วอภิวาทนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสัพพกามีดังนี้ว่าผู้ภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลี แสดงวัตถุสิบประการในกรุงเวสาลีคือ 1. สิงคิโลนกับปะเห็บเกลือไว้ในคเนงแล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้ 2. ท ว, วังคุล ก, กับปะฉันอาหารเมืองเงาเลยเวลาที่ยงไปสององคุลีได้ 3. คมันตระกับปะเข้าบ้านฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนได้ 4. อาวาสกับปะทำอุโบสถแยกกันในอาวาที่มีสีมาเดียวกันได้ 5. อนุมติกับปะทำสังฆ ก, กรรมในเมื่อภิกษุทั้งหลายยังมาไม่พร้อมแล้วขออนุมัติภายหลังได้ 6. อาจินนกับปะประพฤติตามแบบที่พระอุปชาอาจารย์เคยประพฤติมาได้ 7. อมัติตะกับปะชั้นนมสดที่แปรไปแล้วแต่ยังไม่เป็นนมเปรี้ยวได้ 8. ชโลคิดื่มสุราอ่อนๆได้ 9. ้ ทัศสกนิสีธนะแช้ผ้ารองนั่งไม่มีชายได้สิชาตะรูประชะตะรับทองรับเงินได้ท่านพระสัพพกามีถามว่าท่านผู้เจริญพระเถระศึกษาพระธรรมและวินัยไว้เป็นอันมากจากพระอุปชาท่านผู้เจริญเมื่อพระเถระพิจารณาพระธรรมและวินัยอยู่เห็นอย่างไรว่าภิกษุพวกไหนเป็นฝ่ายธรรมวาที พื่ภิกษุชาวปราจีนหรือชาวเมืองปาเถยยะท่านพระสัมผูตัสานวาสีตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและวินัยอยู่ก็เห็นอย่างนี้ว่าภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายอธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยยะเป็นฝ่ายธรรมวาทีแต่ยังชี้ขาดไม่ได้สงฆ์น่าจะแต่งตั้งผมเข้าวินิจฉัยอธิกรณ์นี้บ้าง ท่านพระสัพพกามีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อผมพิจารณาพระธรรมและวินัยอยู่ก็เห็นอย่างนั้นว่าภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายอธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถอ ย, ยะเป็นฝ่ายธรรมวาทีแต่ยังชี้ขาดไม่ได้งรงน่าจะแต่งตั้งผมเข้าวินิจฉัยอธิกรนี้บ้างพระเรวตตประกาศร ง, งับอธิกรด้วยอุปาหิกะวิธีครั้งนั้น สงประสงจะวินิจฉัยอธิกรณ์นี้จึงประชุมกันและเมื่อกำลังวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่มีเสียงเซยงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคาที่กล่าวแล้วได้ลำดับนั้นท่านพระเรวัะจึงประกาศให้สงทราบว่ายัตติกามวาจาท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเรากำลังวินิจฉัยอธิกรณ์นี้ มีเสียงเซยงแซ่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วได้แม้แต่เรื่องเดียวถ้าสงพร้อมแล้วพึงระงับอธิกรณ์เรื่องนี้ด้วยอุปาหิกะวิธีสงจึงคัดเลือกภิกษุชาวปราจีนสีรูปคือท่านพระสัพพกามีท่านพระสาระหะท่านพระอุเชโสพิตะและท่านพระวาสภาคามิกะและภิกษุชาวเมืองปาเถยะอีกสี่รูป คือท่านพระเรวตะท่านพระสัมพูตสานวาสีท่านพระยะศกากันทกบุตรและท่านพระสุมานณะต่อมาท่านพระเรวตะประกาศให้สงทรารด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญเมื่อพวกเรากําลังวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสียงแทรกเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคําที่กล่าวแล้วนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้ว พึงแต่งตั้งภิกษุชาวปาจีนสีรูปภิกษุชาวเมืองปาเถรยะอีกสี่รูปเพื่อระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีนี่เป็นญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเรากาลังวินินฉชยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเสียงแรกเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความหมายแห่งถ้อยคาที่กล่าวแล้วนั้นสงแต่งตั้งภิกษุชาวปาจีนสี่รูป ภิกษุชาวเมืองปาเถอยะอีกสี่รูปเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชาวปราจีนสีรูปภิกษุชาวเมืองปลาเถอยะอีกสี่รูปเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิกะวิธีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชาวปราจีนสี่รูปภิกษุชาวเมืองปลาเถอยะอีกสี่รูป สงแต่งตั้งเพื่อระ ง, งับอธิกรณ์ด้วยอุปาหิกะวิธีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งพระพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องพระอาชิตะ สมัยนั้นภิกษุอชิตะมีพรรษาสิบเป็นผู้ยกปาติโมขึ้นแสดงแก่สงฆ์ต่อมาสงแต่งตั้งท่านพระอชิตะให้เป็นผู้ปูอาสนะเพื่อภิกษุผู้เทระทั้งหลายภิกษุผู้เทระทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะระงับอธิกรณ์นี้ที่ไหนเล่าลำดับนั้นภิกษุผู้เทระทั้งหลายได้ปรึกษากันต่อไปดังนี้ว่าวาลิการามเป็นที่น่ารื่นรมเงียบสงบไม่อึกระทึก พวกเราน่าจะระงับอธิกรณ์นี้ที่วาลิการามครั้งนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นพากันเดินทางไปวาลิการามลำดับนั้นท่านพระเรวัตะประกาศให้สงสราบด้วยยตติกรรมวาจาว่ายตติกรรมวาจา่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้ว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 ถามท่านพระสัพพกามีว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่โลนะกับปะควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่าท่านสิ่งที่โลนกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญการเก็บเกลือไว้ในขนเงเพราะตั้งใจว่าจะฉันกับอาหารรสไม่เค็มควรหรือท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านไม่ควร ท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสพกามีตอบว่ากรุงสาวถีปรากฏในสุตตวิพังท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสพกามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะสะสมโภชนะท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่หนึ่งนี้ สรงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเลี่ยงสัตวุศาสตร์ผมขอจับสลากที่หนึ่งนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญเทวังคุละกับปะควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่าท่านทวังคุละกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญการฉันโภชนะในเวลาวิการ เมื่องเงาของดวงอาทิตย์เลยเวลาเที่ยงไปสององคุลีควรหรือท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระเรวตะถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสัพพกามีตอบว่ากรุงราชครืปรากฏในสุดตะวิพัง์ท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสัพพกามีตอบว่า ต้องปาจิตตีเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาลท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สองนี้ทรงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตุศาสตร์ผมขอจับสลากที่สองนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญขามันตระกับปะควรหรือท่านพระสัพกามีย้อนถามว่าท่าน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 ณกรุงสาวถีปรากฏในสุตตวิพังท่านพระเรวตะถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสพกามีตอบว่าต้องปาจิตตีเพราะฉันโภชนะที่ไม่เป็นเดน่นท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สามนี้ทรงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตว์ศาส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 ท่านพระเรวตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่ห้านี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเลี่ยงสัตุศาสตร์ผมขอจับสลากที่ห้านี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญอาจินนักับปะควรหรือท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่าท่านอาจินนักกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่า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 เรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเรื่องสัตุศาสตร์ผมขอจับสลากที่หกนี้ท่านพระเรวตะถามว่าท่านผู้เจริญอมติตะกับปะโคนหรือท่านพระสพกามีย้อนถามว่าท่านอมติตะกับปะนั้นคืออะไรท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญนมสดที่ละความเป็นนมสดแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเป็นนมเปรี้ยว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 ต้องปาจิตตีเพราะฉันโภชนะที่ไม่เป็นเดนท่านพระเริวตตะประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่เจ็ดนี้สงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเลี่ยงสัตุศาสตร์ผมขอจับสลากที่เจ็ดนี้ท่านพระริวตตะถามว่าท่านผู้เจริญการดื่มชโลคิควรหรือไม่ท่านพระสัพพกามีย้อนถามว่า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 ท่านพระเรวตตประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่9ก้านี้ทรงวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้นอกธรรมนอกวินยัยเลี่ยงสัตรูศาสตร์ผมขอจับสลากที่9ก้านี้ท่านพระเรวตตถามว่าท่านผู้เจริญทองและเงินควรหรือท่านพระสภกามีตอบว่าท่านไม่ควรท่านพระเรวตตถามว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ที่ไหนท่านพระสพกามีตอบว่ากรุงราชคฤหปรากฏในสุตตวิพังท่านพระเรวตตถามว่าต้องอาบัตอะไรท่านพระสพกามีตอบว่าต้องอาบัตปาจิตตีเพราะรับทองและเงินท่านพระเรวตตประกาศว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าเรื่องที่สิบนี้ทรงวินิจฉัยแล้วว่า เรื่องนี้นอกธรรมนอกวินัยเรื่องสัตุศาสตร์ผมขอจับสลากที่สิบนี้ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าทรงวินิจฉัยวัตถุทั้งสิบประการ น, นี้แล้วว่าเรื่องเหล่านี้นอกธรรมนอกวินัยเรื่องสัตุศาสตร์เพราะเหตุอย่างนี้ท่านพระสพการ์มีกล่าวต่อไปว่าท่านทั้งหลายทรงวินิจฉัยอธิกรนั่นสําเร็จเรียบร้อยดีแล้วอันหนึ่ง ท่านพึงถามถึงวัตถุทั้งสิบประการนี้กับข้าพเจ้าท่ามกลางสงฆ์เพื่อภิกษุเหล่านั้นยอมรับทั่วกันต่อมาท่านพระเรวตะได้สอบถามวัตถุสิบประการนี้กับท่านพระสัพพกามีในท่ามกลางสงฆ์ท่านพระสัพพกามีเมื่อถูกถามได้ตอบแล้วในคราวสังขยาพระวินัยครั้งนี้มีภิกษุเจ0ร้อรูปพอดีดังนั้น บัณฑิตจึงเรื่อการสังคยาพระวินัยครั้งนี้ว่าสัตตสติกะสัตตสติกะคันธกะที่สิบสองจบในคันธกะนี้มียี่สิบห้าเรื่อง เรื่องที่มีในสัตตสติกะคันทกะผู้พิสุวัชีบุตรแสดงวัตถุสิประการบรรจุน้ำให้เต็มถาสมฤทธิ์วางไว้ในโรงอุโบสถแนะนำให้อุบาสกอุบาสิกาถวายโรปิยะเมื่อพระยสกากันทกะบุตรไม่เห็นด้วยก็ลงปฏิสารรียกรรมท่านพระยสกากันทกะบุตรพร้อมด้วยอนุทูตเข้าไปครองเวสาลีท่านพระยักากันทกะบุตรกล่าวว่า พระผู้มีประภาคตรัสเครื่องมัวหมองสี่อย่างของสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนเครื่องมัวหมองของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สมณพราหมณ์รับทองและเงินย่อมเศร้าหมองต่อมาท่านพระยศ ก, กากันทกะบุตรไปปรากฏตัวที่กรุงโกสัมพีภิกษุชาวเมืองปาเถยยะชาวอาวันตีทักกิ น, นาบดปรึกษากันสแสวงหาพักพวกในขณะที่ท่านพระเรวตะพักอยู่ที่เมืองโสเรยะ ต่อไปเมืองสังสสะเมืองกันณปุชะเมืองอุทุ ม, มะพะระสหชาตินครท่านพระสัมพูตัสานวาสีบอกท่านพระยศกากรทกะบุตรให้ไปถามปัญหากับท่านพระเรวตะในขณะที่ท่านเชิญภิกษุอันเตวาสิกให้สวดสรพันยะจบผู้ภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้ทราบข่าวว่า พระยศกากรทกะบุตรจะวินิชัยอธิกรจึงสแสวงหาพักพวกจัดตรีมสมณบิขารมีบาทเป็นต้นโดยสารเรือไปสหาชาตินครพระอุตระรับคำของพวกพิุวัชีบุตรถูกท่านพระเรวตตํตำหนิร้ายแรงสงมุ่งจะวินิชัยอธิกรไปกรุงเวสาลีในขณะที่ท่านพระเรวตตตอบท่านพระสภากามีว่า ตัวท่านเองอยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมเมื่อจะวินิชัยอธิกรณ์ได้ประกาศให้สงทราบทั่วกันว่าจะระงับอธิกรณ์ด้วยอุปาหิกะวิธีสัตตสติกะคันทกะจบจุลวักจบ